ข้อความในพระสุตตันตปิฎกคุธการนิกายมหานิเทศเล่มหกสิบหกหน้าสี่ร้อยสี่สิบสามอตตะทันดะสุตตนิเทศที่สิบห้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภัยเกิดแต่อาจยาของตนท่านทั้งหลายจงดูคนที่มุ่งท่านทั้งหลายจงดูคนที่ทุ่มเทียงกัน เราจากแสดงความสังเวชตามที่เราได้สังเวชมาแล้วคือสูตรนี้ก่อนที่พระองค์จะตรัสเนี่ยมีพระญาติเนี่ยจะทะเลาะ ก, กันเรื่องน้ำคือมีอยู่ปีหนึ่งแม่น้ำโรฮินีเนี่ยมันแรงอ่ะนะช่วงช่วงหน้าทานานเนี่ยน้ำแรงเมื่อฝนแรงน้ำในแม่น้ำก็ลดเขาก็ทำเขื่อนปกติเขื่อนนี่ใช้สองเมืองนะทั้งฝ่ายสกยะกับโกรยะเนี่ยจะใช้น้าร่วมกัน ทุกปีเนี่ยน้ำบริบูรณ์เมื่อน้ำบริบูรณ์เนี่ยน้ำก็จะใช้ได้ทั้งสองฝักแต่ตกปีนั้นเนี่ยน้ำมันแรงคือมันแรงพอที่เรียกว่าถ้าถ้าลดน้ำเนี่ยไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายนั้นจะได้เข้าแต่ถ้าแบ่งครึ่งไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็มาถกกันนะครับเนี่มาคุยกันว่า ฝ่ายไหนควรจะได้น้ำเนีย่ยนะพวกพวกคนงานทั้งหลายเนี่ยพวกเช้าน้ามาคุยกันก็บอกว่าฝ่ายโน้นอ่ะข้าวมีเยอะแล้วว่างกันเพราะฉะนั้นให้ฝ่ายนี้เถอะฝ่ายนี้ก็บอกอา้าวฉันถ้าถ้าฝ่ายน้ำํำฝ่ายนั้นอะ่ะมีข้าวฉันไม่สามารถไปขอซื้อฝ่ายนั้นได้หรอกนะไปเที่ยวเคาะหลังคาตามเคาะประตูซื้อข้าวเลยทําใจไม่ได้ก็สรุปว่าไม่มีใครยอมใคร เมื่อไม่มีใครยอมใครนี่ก็ด่ากันถึงถึงเจ้าด่ากันถึงนายเนี่ยนะฝ่ายกุริยะก็ด่าฝ่ายสักยะว่าไอ้พวกสังวาดกันกับพี่กับนออ้องนี่ยนะพี่กับน้องสังวาดกันอีกฝ่ายฝ่ายสักยะก็กด่าว่าอานะัคนงานนะก็ด่าไอ้ฝ่ยายโน้อนอ่ะมันเอากันที่ต้นกระเบ้าพวกขี้เรื้อนอนะเพวกขี้เรื้อนเอากันที่ต้นกระเบ้าก<ม>็ ฝ่ายก็ทะเลาะกันใหญ่มากก็เลยเรื่องถึงนายถึงกษัตริย์เนี่ยนะมาน้ำก็เข้าจะดูจะแสดงกําลังไอ้กำลังของพวกที่เสพสังวาสกับพี่น้องให้ดูไอ้ฝ่ายนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะโชว์พลังไอ้ฝ่ายที่เรียกว่าอยู่ต้นกระเบ่าเป็นโรคเรื้อนให้แกดูว่างั้นก็เลยยกกองทัพกันมาจริงเรื่องน้ําแล้วก็พวกข้าทาสกรรมกรแพร่เขา่า ด, ดังถึงนายนายก็เลยยกกองทัพขึ้นมาวันนั้นพระองค์ก็ตรวจดู สัตว์โลกกันนะก็เห็นมูญาติเนี่ยกําลังเข้ามาสู่สงครามกันแล้วกําลังจะประจันหน้าพอดีเลยพระองค์ก็เสด็จมาพอเสด็จมาก็ถามแบบนั้นพอเห็นพระพุทธเจ้ามาเนี่ยพญาตทั้งสองฝ่ายก็ก็ม า, ม า, ม, ามากราบกันนะทุกคนจะวางอาวุธหมดบอกพอเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยอมตายแล้วใครจะฆ่าก็ฆ่าเถอะเนี่ ย, เ, ยเราไม่สามารถจะถืออาวุธประหัตประหารต่อนหน้าพระพุทธเจ้าได้ ก็เลยทุกฝ่ายก็วางอาวุธกันหมดไปกราบพระพุทธเจ้าผมก็ถามว่ามาทําอะไรกันนะกันก็ไม่ได้มาเที่ยวกันหรอกเพราะงั้นจะมารบกันรบกันเรื่องอะไรเพราะว่าเนี่ เ, นเรื่องน้ําแล้วน้ํามีราคาเท่าไหร่ราคาของน้ํามันเท่าไหร่บอกว่าหน่อยเดียวแล้วแผ่นดินเนี่ยราคาเท่าไหร่มากแล้วกษัตริย์เนี่ยมีราคาเท่าไหร่กษัตริย์ก็ยิ่งมีราคามากกว่านั้นผมก็บอกโอ้ก็ กษัตริย์เป็นต้นเนี่ยมีค่าอย่างมากมายแล้วจะมาแข่งค่ากันทำอะไรเพราะน้ำเล็กน้อยวพระองค์ก็ตรัสถึงโทษของการทะเลาะวิวาทการทุ่มเถียงกันเนก็นเนยแสดงสูตรหนึ่สูตรหนึ่งว่าภัยเนี่ยเกิดจากอาจยาของตนท่านทั้งหลายจงดูคนที่ทุ่มเถียงกันเราจะแสดงความสังเวชตามที่เราได้สังเวชมาแล้วนี่ก็แสดงทำให้คนกำลังทะเลาะกันฟังได้นะ ซึ่งภาษาเริบุตรท่านนิเทศ พ, พระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ว่าชื่อว่าอาทยาเนี่ยนะอาทยามีอยู่สามอย่างด้วยกันคืออาทยาทางกายอาทยาทางวาจาและอาทยาทางใจกายทุจริตสามชื่อว่าอาทยาทางกายวาจีทุจริตสี่ชื่อว่าอาทยาทางวาจามนโนทุจริตสามชื่อว่าอาทยาทางใจเนี่ย มันอาจยามีอยู่3าประการเนี่ยนะคืออาจยาทางกายวาจาและใจชื่อว่าภายัยคือภัยสองอย่างได้แก่ภัยมีในชาตินี้กับภัยมีในชาติหน้าคืออาจยานี่ยนะหมายถึงความชั่วทางกายวาจาใจทว่าโดยเต็มก็คืออกุศลกรรมบท10นี่แหละเรียกว่าอาจยาอากุศลกรรมบททั้ง10ประการเนี่ยนะก็มีผลในชาตินี้กับมีผลในชาติหน้า คือจะได้รับภัยในชาตินี้กับได้รับภัยในชาติหน้าภัยมีในชาตินี้เป็นฉไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกายประพฤติทุจริตด้วยวาจาประพฤติทุจริตด้วยใจฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างตัดที่ต่อบ้างปล้นทุกหลังคาเรือนบ้างปล้นเฉพาะหลังคาหลังเดียวบ้างดักแย่งชิงอยู่ที่หนทางเปลี่ยวบ้าง คบชูพัญญาแห่งชายอื่นบ้างพูดเท็จบ้างนั่นแหละก็คือจริงๆแล้วกรรมบทมีสิบข้อแต่ตรงนี้ยกมาเฉพาะที่มันผิดกฎหมายนั่นแะแบบกฎหมายโบราณนะสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นยังเป็นกฎหมายอยู่เอาเฉพาะข้อที่ผิดกฎหมายตรงๆมาว่าพวกที่ประพฤติผิดอย่างนี้เนี่ยนะทำความชั่วทางกายทางวาจาอย่างนี้แนละ้วราชบุรุษก็จับผู้นั้นได้แล้วทูลแด่พระราชาว่าขอเดชะ บุรุษผู้นี้เป็นโจรประพฤติ ช, ชั่วพระองค์อาจลงอาทยาที่ทรงประสงค์แก่บุรุษนี้เถิดก็คือสมัยก่อนก็ถ้าจับได้ก็อาราธนาให้กษัตริย์เนี่ยบังคับลงอาทยาเลยคือให้ทําโทษเนี่ยนะพระราชาก็ทรงตวาดบริพาสคนผู้นั้นก็ถูกกษัตริย์เนี่ยด่าก่อนนะนถูกเจ้าปกครองเนี่ยด่าก่อนคนนั้นก็ต้องเสเวยทุกโทมนัสแม้เพราะเหตุที่ถูกบริพาส ก็คือถูกด่าทุกโทมนัสนั้นเป็นภัยของคนนั้นะ่ะเกิดแต่อะไรภายนั้นเกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏแต่อาจยาของตนเนี่ยนะเพราะเป็นประโยควิบัติใช่ไหมจึงถูกด่านะก็ถือว่าเป็นผลของประโยคที่วิบัติความชั่วทางกายทางวาจาทางใจพวกนี้เป็นประโยควิบัติอันผลที่ที่ได้รับเห็นเห็นเลยก็คือถูกดาก่อนาว่ า, วาถูกดาก็แล้วแต่เนี่ ถูกด่าต่อหน้าประชุมชนสาธารณะกำ น, นันเนี่ยนะถ้าเราขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยถูกเขาด่าตรงนั้นเต็มที่เลยเนี่ยถามว่ามันจะทุกโทมมนัดขนาดไหนเนี่ยเนี่ยเต็มที่อ่ะนะคำว่าด่าเนี่ยรวมทั้ง ข, มข่มคูด้วยเหมือนกันนะคำว่าทั้ง ข, มข่มคูทั้งเรียกว่าคำพูดประเภทว่าจะตัดหัวคั่วแห้งจะโบยจะเขียนเป็นต้นเนี่ย นี่ก็ต่อไปว่าพระราชาก็ยังไม่พอพระไทยแม้ด้วยการบริภาษเท่านั้นย่อมรับสั่งให้จองจำคนนั้นด้วยเครื่องจองจำคือคือขาบั้งด้วยเครื่องจองจำคือเชือกหรือว่าโซ่ตรวนหวายทวันหรือว่าควบคุมเครื่องล้อมหรือว่าควบคุมด้วยบ้านนครแวนแคว้นชนบทแล้วก็โดยที่สุดสั่งบังคับว่ามันจะหนีจากที่จองจานี้ไปไม่ได้ก็แล้วแต่นะว่า กักขังบริเวณขนาดไหนจองจำเนี่ยจองจําแค่มัดหรือว่าจองจําด้วยการกัก บ, บริเวณเป็นต้นหรือว่าต้องโซ่ตรวนหรือว่าควบคุมว่าให้อยู่เฉพาะในหมู่บ้านนี้ห้ามออกจากหมู่บ้านเป็นต้นนะคนนั้นก็ต้องเสวยทุกโทมนัสแม้เพราะเหตุแห่งการจองจําอันนั้นภัยทุกโทมนัสของคนนั้นเกิดจากอะไรภัยนั้นก็เกิดบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏแต่อาทยาของตน เพราะผลของความชั่วที่ตัวเองทำนั่นแหละพระราชายังไม่พอพระไทยแม้ด้วยการจองจํานั้นก็คือตามโทสานุโทษใช่ไหมตามโทษน้อยโทษใหญ่เนี่ยนะถ้าโทษน้อยก็แค่ด่าก็พอเรียกมาดา่าตักเตือนแล้วก็ปล่อยไปโทษมากกว่านั้นก็สั่งจองจาถ้าโทษมากกว่านั้นพระราชาก็ร่อมยอมรับสั่งให้ริบซัพย์ของคนนั้นร้อยหนึ่งบ้างพันหนึ่งบ้างแสนหนึ่งบ้าง คนนั้นต้องเสวยทุกโทมนัสแม้เพราะเหตุที่เสื่อมทรัพย์ทุกโทมนัสนั้นะเป็นภัยของคนนั้นเกิดแต่อะไรภัยนั้นเกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏแต่อัจยาของตนนีนน่ก็อย่างที่เราฟังพวกลอชาวเขาเนงที่ค้ายาเนี่ยถูกจับนี่ไงถูกจับกพรหมดไปสองล้านนี่ไงหมู่บ้านนั้นน่ะถูกภัย มันก็บอกว่าหมดไปสองล้านเนี่ยนะก็อีกหลายๆแห่งเนี่ยนะที่ที่ถูกจับแล้วถามว่าแต่ละคนเนี่ยหมดไปเอาที่ไหนม า, น, นะา น, นั่นนะคือบิ้งเรื่องอนะ่ะมันพวกที่ค้าทั้งหลายเนี่ยนะของผิดกฎหมายเป็นต้นเนี่ยถ้าถูกปรับนี่ถามมันจะหมดกันเท่าไหร่หรืออีกในหนึ่งนะถ้าลูกถูกถูกจับแล้วก็ถูกเสียค่าปรับเป็นต้นเนี่ยนะพ่อแม่ทําไงอนะภาระเหล่านั้นทั้งหมดก็ตกแก่พ่อแม่หรือเครือญาตินั่นะ นั้นไอคนที่ถูกจับนี่ก็หนักหนาสาหัสอย่แล้เด็กข้างบ้านคนหนึ่งเนี่ยถูกจับไปสามสี่เม็ดโอ๊ยพ่อแม่นี่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ตะลอนตะลอนไปเยี่ยมนะหนักหักเข้าก็หมดหลายหมื่นก็จะออกมาได้นนะในฐานะผู้เสพเนี่ยนะไอคนหนึ่งก็ไปติดได้ไปเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งก็โอ้ยพ่อแม่เนี่ยก็หมดไปเยอะน่นะ ว่าถูกปรับห้าพันเนี่ยคนทำงานเดือนแล้วไม่กี่ร้อยเมื่อไม่กี่พันเนี่ยนะมันก็หนักหนาสาหัสมากนี่เป็นภัยที่ที่เกิดจากการเสียค่าปรับเนี่ยนะก็เดือดร้อนกันนะนะพระราชาก็ยังไม่พอพระไทยแม้ด้วยการรีบทรัพ์เท่านั้นนะโทษบางอย่างมันมากกว่านนะั้นก็กรับสั่งให้ทากรรมกรคือการลงโทษโดยประการต่างๆกะคนนั้นคือให้เคียนด้วยแท้บ้างนะราณ สมัยนี้ก็บางประเทศน่าจะยังมีอยู่เยบางชนบทบางท้องถิ่นเนี่ยนะก็ยังมีการเคียนการตีอยู่หรือว่าย่อมเคียนด้วยหวายบ้างตีด้วยไม้พลองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือตัดทั้งเท้าบ้างะตัดหูบ้างนะนะตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูตัดทั้งจมูกบ้างยังกันนางสังทองนันนะนะคล้ายๆกัะนอะอื ม, อม ไม่ว่าบางทีก็วางก้อนเหล็กแดงเนี่ยบนศีษะบ้างคําว่าวางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะก็คือเขาปะทะลกหนังหัวนี่ออกก่อนแล้วก็เอาเลื่อยเนี่ยมาปะแกะกระโหลกเนี่ยนะแกะกระโหลกแล้วเอาก้อนเหล็กแดงแดเนี่ยวางให้ให้สมองเนี่ยมันไหลแบบหม้อข้าวทะลักออกมาเนี่ยคือคือพวกนี้เราต้องคิดดูว่าเป็นวิธีเชื่อดกไห้ลิงดูนะเป็นวิธีที่เขานิยมกันโบราณนะทันเวลาจะ ลงโทษใครสักก็ประกาศให้ประชาชนมาดูเนี่ยนะมันก็ถือว่าทํากันหนึ่งคนแล้วมีผลเนี่ยมันสั่งับไปเยอะอ่ะก็จะใช้วิธีนี้นเนี่เลยหรือบางทีก็ถลกหนังศีรษะออกแล้วก็เอาแปรงเนี่ยมาขัดจนขาเหมือนสีสังเลยนะ<ม>ถูกขัดถามว่าถ้าจะว่าโดยกรรมสกตานี่ก็น่าสงสารทั้งคนถูกขัดทั้งคนที่สังขัดเนี่ยนะก็น่าเห็นใจพอกันนะ ไม่แปลกใจเลยนะถ้าเตมีใบท่านเป็นพระราชาอยู่ยี่สิบปีใช่ตกนรกแปดหมืนปีเนี่ยไม่น่าแปลกใจนะเ <c oughs> นี่ยนะก็สั่งลงโทษลักษณะนี้แหละหรือว่าสายไฟเนี่ยลุกโผลงเข้าไปในปากจนเลือดไหลออกเต็มปากเหมือนปากราหูบ้างอนะเอาอะไรสักอย่างอนะใส่เข้าไปในปากแล้วเลือดมันอาบไหลออกมานะีหรือว่าพันตัวด้วยผ้าชุบน้ํามันแล้วเผาทั้งเป็นบ้าง น, นะทุกเผาทั้งเป็นเลย พันมือด้วยผ้าชุบน้ํามันแล้วจุดไฟให้ลุกเหมือนประทีปบ้างานะยืมมือทําด้ามประทีปหน่อยอนะก็พันแล้วก็จุดไฟเผาเท่านั้นนะหรือว่าถลกหนังตั้งแต่คอลงมาถึงข้อเท้าให้เดินเหยียบหนังนั้นจนล้มบ้างานะก็เดินเหยียบหนังตัวเองอ่ะล้มลุคลุกคลานอยู่นั่นแหะถลกหนังตั้งแต่คอลงมาถึงบ้านเอวทําเป็นผ้านุ่งนะทำเป็นผ้านุ่งผ้าคากรองบ้างก็เหมือนกับนุ่งหนังช้างอ่ะนะ สวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเข่าทั้งสองแล้วก็เสียบหลาสี่ทิศไว้เผาไฟบ้างก็เหมือนกับเขาในพรานนยยุกเนี่ยนะที่เขาไปล่าเนื้อในป่านะพอเขาได้เขาจะเอาไว้ตรงกลางเขาจะจุดไฟรอบให้มันสุกเขาค่อยสุกไปเรื่อยๆสุกเข้าในนะเขาจะแลกกันแล้วก็กลับแกล้มกันนี่ก็เล่นกับคนนะหรือว่าเอาเบ็ดเกี่ยวหนังแล้วก็เอ็นออกบ้างนะก็เอาเบ็ดนี่หัวแล้วก็กระตุกนะ เกาะเข้าไปใช่ไหมแล้วก็กระชากกระชากตรงไหนก็หลุดตรงนั้นหมดนะหรือว่าเอามีดเนี่ยเฉือนเนื้อออกเป็นแว่นแว่นดังเหรียญกระสาบบ้างถ้าเป็นพระเจ้าอุเทนเนี่ยสั่งเฉือนพระนางมาคันธยาเนี่ยก็เฉือนออกทีละชิ้นทีละชิ้นเสร็จแล้วเอาไปทอดทอดเสร็จให้เจ้าของเนื้อกินนะกินเนื้อตัวเองตามกรรมก็คือเผาผ้าริยะห้าร้อยนะพระนางมาคันธยาเนี่ได้ไปเยอะชาติเนี่ยได้บาปนะ หนึ่งก็คือด่าพระพุทธเจ้าจ้างคนให้ด่าพระพุทธเจ้าอยู่เจ็ดวันให้อาเนี่ยไปเผาผ้าระยะห้าร้อยอะเผาผ้าระยะตายห้าร้อยแล้วก็หาเรื่องทิมแทงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะนกรรมมานั้นก็กทิฏฐธรรมเห็นเนเลยก็คือถูกเนื้อเนี่ยบาด ท, ทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นไปทอดน้ํามันแล้วก็กินเองกินเองพวกที่ไปร่วมดีใจกับกรรมเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกตายกันเป็นเบือเลย แล้วก็ตายแล้วก็อบายทุกขติวิเนิยบาทอยู่แล้ว mm hmm. mm hmm. หรือว่าเฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเลื้อแต่กระดูกบ้างนะถูกถลกกระดูกอะถลกเลือแต่กระดูกคือพวกนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะเขาาจะทำทันทีเลยนะเขาค่อยๆปาดเรื่อยๆเร่อยๆด้วยความให้ให้ทรมานที่สุดเท่าที่จะทำได้